นาปฏิวนันพิกษูนีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ787 1. นพิกษูนีขอผ้าห่มนาราคาสีกังส์สักเป็นอย่างมาก2อพิกษูนีขอผ้าห่มนาราคาหย่อนกว่าสกังส์สักสามพิกษูนีขอจากญาติ4ีพิกษูนีขอจากคนบวรณา5้พิกษูนีขอเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น6กพิกษูนีซื้อมาด้วยทรัพย์ของตน7จพิกษูนีจ่ายผ้าราคาถูก แต่ทายกผู้ต้องการให้จ่ายผ้าราคาแพงแปภิกษุณีวุกินจริต 9. ภิกษุณีต้นบรญญัตสิกขาบทที่ 11. จบ